ไม่เอาหน้าอย่าซีเรียกเรื่องเ <ód> จ็บหางไหมมียมผู้หญิงท่านหนึ่งมาอดครวนกับหลวงพ่อว่า ร่างกายนี้มันทุกข์เหลือเกินพอแก่ตัวลงจะทำโน่นก็โอยทำนี่ก็โอยมาขอให้หลวงพ่อช่วยหาวิธีแก้เจ็บแก้ปวดจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเคยเห็นหลวงพ่อนั่งสมาธิทีละนานๆไม่ขยับสงสัยจะมียาดีหลวงพ่อเลยถามโยมว่าโยม เคยปวดหัวไหมเคยเจุค้าโยมเคยเจ็บฟันไหมเคยเจุค้าโยมเคยปวดท้องไหมเคยเจุค้าโยมเคยเจ็บหางไหมโยมงงก็หางมันไม่มีนี่จุค้า หลวงพ่อก็เลยตอบว่ามีในสิ่งใดแล้วยึดมันในสิ่งนั้นก็ยอมเจ็บยอมทุกเองเมื่อไม่มีไม่ยึดจะเอาอะไรมาทุกข